สวัีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดเรื่องเบาวที่ชื่อสัตว์และฉลาดพะระเจ้าของพระเจ้าในี้ครัวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาครับลูกาบทที่สิบสองข้อที่สี่สิบสองจนถึงข้อที่สี่สิบแปดโปรดฟังพระจ้าของพระเจ้าองค์พขาพู้เป็นเจ้าตรัสว่าใครเป็นคนต้นเรือนสับซื่อและฉลาด ที่นายได้ตั้งไว้เหนือพวกคนใช้สําหรับแจกอาหารตามเวลาเมื่อนายมาพบเขากระทําอยู่อย่างนั้นเบาวผู้นั้นก็จะเป็นสุขเพราะบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะตั้งเขาไว้ให้ดูแลบรรดาข้าของของท่านแต่ถ้าเบาวนั้นจะคิดในใจว่านายของข้าคงจะมาช้าแล้วตั้งต้นโวยวียเบาชายหญิงและอินดื่มเมาไปนายของบ่าวผู้ น, นั้นจะมาในวันที่เขาไม่คิดในโมงที่เขาไม่รู้ และจะทําโทษเขาถึงสาหัสทั้งจะขับไล่เขาให้ไปอยู่กับคนที่ไม่สัตย์ซื่อเบาที่ได้รู้ใจนายและไม่ได้เตรียมตัวไว้ไม่ได้กระทําตามใจนายจะต้องถูกเคี่ยนมากแต่ผู้ที่ไม่ได้รู้แล้วได้กระทําสิ่งที่สมจะถูกเคี่ยนก็จะถูกเคี่ยนน้อยผู้ที่ได้รับมากก็จะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมากแต่ผู้ใดที่ได้รับฝากไว้มากก็จะต้อง่วงเอาจากผู้นั้นมากพี่น้องครับ พระเจนะของพระเจ้าได้สอนเราในเรื่องของการเป็นคนต้นเรือนนะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนครับว่าคําว่าบ่าวในที่นี้หมายถึงคนต้นเรือนเพราะในข้อที่สี่สิบสองครับเราจะเห็นว่าคนต้นเรือนนี้ได้รับการแต่งตั้งจากองค์พระบุญเจ้าจากนายของเขานะครับเพราะสิบสองนั้นอ่านได้ความดังนี้ว่าองค์พระบุญเจ้าตรัสว่าใครเป็นคนต้นเรือนศักดิ์สิทธ์และฉลาด ที่นายได้ตั้งไว้เหนือพวกคนใช้สําหรับแจกอาหารตามเวลาย่อมจะเห็นนะครับว่าเราสามารถแบ่งบ่าวนะครับหรือคนต้นเรือนในพักรีตอนนี้ออกได้เป็นถึงสี่ประเภทด้วยกันครับประเภทแรกนะครับอยู่ในข้อที่สีบสามครับก็คือเป็นคนต้นเรือนสัตว์ซื่อและฉลาดเมื่อนายมาพบเขาก็ทําอยู่อย่างนั้นบ่าวผู้นั้นก็จะเป็นสุข ว่าเป็นสุขในที่นี้หมายถึงว่าเขาจะได้รับคําเน็จนะครับนี่เป็นประเภทแรกก็คือฉลาดด้วยแล้วก็ชื่อสัตย์ด้วยประเภทที่สองครับข้อสี่สิบห้าถ้าบ่าวนั้นคิดในใจว่านายของข้าจะมาช้าแล้วตั้งต้นโวยตีบ่าวชายหญิงและกินดื่มเมาไปข้อสีสิบหกกล่าวว่านายของบ่าวผู้นั้นจะมาในวันที่เขาไม่คิดในโมงที่เขาไม่รู้และจะทําโทษเขาถึงสช้า ทั้งจะขับไล่เขาให้ไปอยู่คนที่ไม่ชัดซื่ออันนี้ก็คือเป็นบ่าวที่ไม่ฉลาดครับเพราะว่าเขาไม่คิดว่านายจะมานะครับเขาคิดว่านายจะมาช้านะครับก็คือไม่ฉลาดพูดง่ายก็คือโง่นั่นเองในขณะเดียวกันก็ไม่ซื่อสัตย์ด้วยก็คือพฤติกรรมของการตั้งต้นโวยตีบ่าวชายหญิงกินดื่มเมาไปนะครับการเมานะครับแสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์แสดงถึงการใช้เวลา ับแสดงถึงการใช้อำนาจนะครับโบยตีบ่าวชายหญิงนี่คือคนที่ไม่ซื่อสัตย์ราเข็นครับว่าสองประเภทแรกคือประเภทที่ฉลาดและซื่อสัตย์ได้รับพร น, นะครับได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลบรรดาข้าของได้รับคำโปรโมตขึ้นไปประเภทที่สองก็คือว่าเป็นพวกที่โง่ครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันไม่ซื่อสัตยโง่คือคําว่าไม่รู้จักคิดหรือคิดตามแบบที่ตัวเองอยากจะคิดนะครับ ภาษาวัยรุ่นก็เรียกว่ามนโนคือคิดไปเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กว่าเราอย่าคิดในใจว่านายของเราจะมาช้านะครับและเราก็อย่าเป็นคนที่ไม่สับซอ้ลอยครับก็คือตั้งต้นโวยตีเบาทายหญิงและกินดื่มเมาไปเราจะมาดูนะครับเบาหรือคนต้นเรือนประเภทที่สามในข้อ47ครับเบานั้นที่ได้รู้ใจนายไม่ได้เตรียมตัว มิได้กระทําตามใจนายจะต้องถูกเคี่ยนมาในข้อที่สีสิเจ็ดนี้ได้พูดถึงบ่าวที่รู้ใจนาย น, นะครับผูดง่ายๆก็คือฉลาด น, นะครับแต่ไม่ชื่อสัตย์ครับคือมิได้ทําตามใจของนายคือรู้ครับรู้หมดทุกอย่างนะครับฉลาดครับแต่ไม่ทํานะครับไม่ชื่อสัตย์ในการทําไม่เชื่อฟังนะครับนี่คือประเภทที่สามต้องถูกเคี่ยนมากครับ ส่วนประเภทสุดท้ายครับประเภทที่สี่อยู่ในข้อ48ครับก็คือคนที่ไม่ได้รู้แล้วได้กระทําสิ่งที่สมกับจะถูกเคียนนะครับก็พูดยังไงว่าไม่รู้ครับโง่ครับนะแต่ก็ทํานะครับแต่ทําไม่ทําไม่ถูกต้องครับนะครับเพราะเหตุความโง่ของเขาทําไม่ถูกต้องท่านพี่บอกว่านี่เป็นประเภทสุดท้ายครับก็คือจะต้องถูกเคียนแต่ว่าถูกเคียนน้อยกว่าประเภทที่สามนะครับ เพราะว่าประพิฆสาวเนี่ยฉลาดนะครับแต่ไม่ชื่อชัดพี่น้องครับบ่าวหรือคนต้นเรือนที่ทั้งสี่ประเภทนี้ก็อาจจะเปรียบเทียบกับคนสีประเภทนะครับในการทํางานในการรับใช้พระเจ้ า, า, าในการอยู่ร่วมกันนะครับพี่น้องครับพระเยซูสอนอะไรในคําอุหมานี้พระเยซูกําลังบอกครับว่างานปฏิบัติรับใช้ของสาวกไม่ได้เป็นเพียงแค่การเฝ้าดูนะครับ แล้วก็บ่ายเบี่ยงเลี้ยงโลกการเสด็จมาของพระเยซูนั้นเราจะต้องเฝ้าระวังอยู่เสมอในขณะเดียวกันครับต้องมีงานรับใช้ที่ต้องกระทำซึ่งเป็นงานที่พระเจ้าจะตรวจสอบเราทำอุปมานี้มีความสําคัญต่อผู้นําคริสตจักรทุกๆคนงานปฏิบัติรับใช้ของพระเยซูบนแผ่นดินโลกนะครับผู้รับใช้ผู้นําคริสตจักรก็มีสีบานเหมือนผมนี่แหละครับและผู้นําคริสตจักรในทุกๆระดับ แล้วทั้งหลายได้รับมอบหมายนะครับศรีบาลก็ได้มอบหมายให้เทศนาสั่งสอนสาวพเพื่อนำคนอื่นๆเข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับกับครอบครัวของบรดาผู้เชื่อในขีตจักรเพียสูทรงชาดีครับว่างานของพระองค์นั้นไม่สามารถทําได้เพียงหลังพังเช่นเดียวกันครับขีตจักรของพระเจ้านั้นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับศรีบาลเพียงคนเดียวจะต้องอยู่ในคณะผู้นําหรือคณะผู้ปกครอง หรือคณะธรรมกิจนะครับหรือผู้ที่เป็นคณะกรรมการต่างๆที่รับผิดชอบพันธกิจหลักๆของค ร, ริสจักรที่นี่ครับเปยสุทงทราบว่างานของพระงไม่สามารถทำแต่ลำพังครั้งหนึ่งครับพระเยซูได้ทรงส่งสาวกเจ็ดสิบคนออกไปทีละคู่เพื่อประกาศข่าวประเสริฐเปียซูมุ่งหวังว่าผู้เชื่อทุกคนจะรับผิดชอบในการนําคนอื่นๆมาเชื่อพระเยซูพวกเราทั้งหลายทุกคนก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องที่ฟังอยู่ในเช้านี้ และเป็นภราวาสเราทั้งหลายก็มีความรับผิดชอบที่จะต้องนําคนอื่นๆมาเชื่อพระเยซูด้วยจะถึงกระนั้นก็ดีนะครับพระองค์หมายความถึงเครือจักรจะต้องเป็นที่ที่ต้อนรับและให้การเลี้ยงดูให้ความอบอุ่นให้การแก้ปัญหานํามาซึ่งการอธิษฐานเครือนํามาซึ่งความปรารถนาดีความหวังดีกับผู้ที่เข้ามาในครือจักรพี่น้องครับเราได้รับพระพรจากพระเจ้านะครับ ในขณะที่เราได้รับพระพรเราต้องทําตัวให้เป็นผู้ส่งพระพรต่อไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงเห็นว่าเราเป็นคนต้นเรือนที่ฉลาดและศักดิ์สิทธพระเจ้าก็เลยมอบหมายภารกิจต่างๆให้กับเราในขณะเดียวกันครับแม้ว่าหลายครั้งเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ฉลาดนักแต่เราต้องซื่อสัตย์ครับอย่าเป็นคนไม่ฉลาดที่ไม่ซื่อสัตย์จะแช้งานไม่ได้เลยครับ และจะได้รับโทหนักในขณะที่เราอาจจะไม่ฉลาดนะครับคนอื่นอาจจะช่วยเราให้เราคิดเป็นในเวลาเดียวกันครับความซื่อสัตว์ของเราจะต้องมีครับแล้วในนะัทหลังจากนั้นเราจะกลายเป็นคนที่ฉลาดคนที่รู้นะครับและจะกลายเป็นคนที่ชื่อสัตว์ต่อไปพี่น้องครับเราจะต้องหัดเป็นคนต้นเรือนที่ฉลาดนะครับและจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือต้องัดซื่อนะครับความฉลาดนั้นอาจจะหาไม่ได้ นะครับพัฒนาจะได้หน่อยแต่ความซื่อสัตย์พัฒนาได้แน่นอนครับและความซื่อสัตย์นี้เป็นความซื่อสัตย์ที่แน่นอนทําให้เราทั้งหลายได้รับความปลอดภัยและรับําเน็จที่มาจากพระเจ้าใช่ไหมครับถามว่าพระเจ้าได้มองดูการรับใช้ของเรานะครับในฐานะคนต้น เ, เรือนพระเจ้าเขาว่าไถ่หรือเปล่านะครับพระเจ้ายิ้มหรือเปล่าขอพระเจ้าถนะึงิมกลังที่น้องที่รักทุกท่านในชาวันนี้ที่เราจะเป็น คนครับใช้พระเจ้าที่ฉลาดและสัตซ์ซื่อนะครับใครก็ตามที่ฉลาดไม่สัตซ์ซื่อขอให้เราทั้งหลายกลับใจใหม่ครับใครก็ตามที่เราไม่ฉลาดด้วยไม่สัตซ์ซื่อด้วยก็ข อ, ขอพระเจ้าเสริมกําลังครับอย่าให้เราจะต้องรับโทษยิ่งถูกเคี่ยนมากนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายอาเมน